ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตะปะพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันน า, นาพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมิวารจนาหน้าที่สิถามว่าเหตุอันใดบันดาลให้พระองค์เห็นชราพยาธิมรณนะเป็นทุกข์ พระหนึ่งว่าเพลิงเผาตนเองและสัตว์อื่นให้ร้อนพระหฤทยัยมาละสุขสมบัติเสียออกสแสวงหาธรรมที่สิ้นทุกข์ดังนี้ชอนอื่นทำไมเล่าจึงไม่เห็นอย่างพระองค์นั้นแก่ว่าพระองค์เคยย่ายีแยกขาจายกระจายสังขารเห็นความจริงสามประการคืออนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขาตาความเป็นทุกข์ อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนช่วยปัญญาและกุศลอื่นมีทานศีลเป็นต้นซึ่งพระองค์ได้บำเพ็ญมาในพบก่อนมามากนานจึงเป็นอุปนิสัยบรรดาให้พระองค์เห็นดังนี้แล้วสแสวงหาธรรมที่สินทุกข์ส่วนชนอื่นไม่ได้ปฏิบัติเหมือนอย่างพระองค์จึงเห็นวัตถุแห่งความทุกข์ว่าเป็นวัตถุแห่งความสุขแล้วและหลงอยู่ในวัตถุนั้นถามว่าในปุพพสิกขาว่า พระพุทธเจ้าตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณด้วยมลนิวรณ์ห้าตั้งจิตในสติปัฏฐานสี่เจริญโพชงเจตจึงเป็นพระพุทธเจ้าในที่นี้ว่าตัดสรู้ได้ด้วยวิชาสามจึงเป็นพระพุทธเจ้าทําไมจึงไม่เหมือนกันแก่ว่าเป็นแต่เทสนามุขะเท่านั้นโดยอัดคําทั้งสองนั้นลงกันเหมือนกันจะกล่าวให้ฟัง นิวรห้าคือกามาฉันทะความใคร้ความพอใจในกามาคุณหนึ่งพยาบาทความปองร้ายหนึ่งถีนามิทะความง่วงเหงาหานอนหนึ่งทัจจากุกุจจะความฟุ้งซ่ารำคาญใจหนึ่งวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยหนึ่งรวมห้านี้เรียกว่านิวรเพราะเป็นของกั้นกุศลธรรมมีสมาธิเป็นต้นมิให้เกิดขึ้นได้เป็นของทาใจให้เศร้าหมอง เป็นของทําปัญญาให้เสียกําลังไปพระองค์มรณนิวอนหา้านีด้วยวิขำพรนประหารคือข่มไว้ด้วยอาณาปานสติฌานก่อนแล้วเมื่อมรคเกิดขึ้นฆ่าอาวิชชาตัญหาซึ่งเป็นสีตะแห่งกิเลสเป็นมูลราชแห่งสังสารวัฏ ต, ตายขาดแล้วนิวรนหา้าซึ่งเป็นกิเลสนับเนื่องในอวิชชาตัญหานั้นก็ตายขาดด้วยสมุทเฉตประหารด้วยเหตุนี้จึงว่ามรณนิวอนหา้า สติปฐานสี่คือกายานุปัสสนาความตามเห็นซึ่งกายโดยความสิ้นไปเสื่อมไปหนึ่งเวทนานุปัสสนาความตามเห็นซึ่งเวทนาโดยความสิ้นความเสื่อมหนึ่งจิตานุปัสสนาความตามเห็นซึ่งจิตโดยความสิ้นความเสื่อมหนึ่งธรรมานุปัสสนาความตามเห็นซึ่งธรรมโดยความสิ้นความเสื่อมหนึ่งสี่นี้ชื่อว่าสติปฐานสติปฐานแปลว่าธรรมชาติเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์คือสติ หรือว่าสติเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์สติแปลว่าผามระลึกสตินี้เป็นเจตสิกตัวเดียวไม่เป็นสองเหตุใดจึงว่าสติปฐานสี่ลาวซึ่งกล่าวว่าสติปฐานสี่นั้นด้วยสามารถอารมณ์เป็นที่เข้าไปตั้งอยู่แห่งสติอารมณ์แห่งสติสี่ก็คือกายหนึ่งเวทนาหนึ่งจิตหนึ่งธรรมหนึ่งก็คือขันหานั่นเอง กายก็เป็นรูปขันเวทนาก็เป็นเวทนาขันจิตก็เป็นวิญญาณขันธรรมก็คือสัญญาขันและสังขารขันธ์นั่นเองสติปารพเอาเอกเทศแห่งกายมีลมหายใจเป็นต้นหรือปารพสกุกายมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นอารมณ์แส่เห็นความสิ้นความเสื่อมความเกิดความดับแห่งกายหรือเห็นว่ากายเป็นของปฏิกูลหรือเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุก็ดีหรือสักว่าเป็นแต่กายก็ดี ดังนี้นั้นชื่อว่ารายานุปัสนาสติปัฏฐานสามารถเจริญได้ทั้งสมถะแล้วก็วิปัสนาการพิจารณาโดยวความเป็นของปฏิกูลก็เป็นสมถะพิจารณาโดยวความเป็นธาตุสเป็นวิปัสนาพิจารณาลมหายใจก็เป็นสมถะเบื้องต้นแต่ว่าเป็นวิปัสนาตอนปลายก็ได้สติปารลบอเวทนาสามคือสุขทุกขเบขาอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ ในเห็นความสิ้นความเสื่อมความเกิดความดับแห่งเวทนาหรือเห็นว่าสักว่าเวทนาเท่านั้นก็ดีดังนี้นั้นชื่อว่าเวทนานุปัสนาสติปฐานการยันปัสนานั้นมีถึงสิบสี่ข้อสิบสี่ประภะโด้วยกันจะเลือกพิจรารณาเจริญอันใดอันหนึ่งหรือว่าเจริญทั้งหมดก็ได้ ล, ลมหายใจเป็นข้อหนึ่งอิริบบทสี่เป็นข้อหนึ่งสัมมิชญญะสี่เป็นข้อหนึ่งอิริบบทย่อยแล้วก็พิจารณาโดยอาการปฏิกูลอาการสามทิสอง พิจารณาโดยความเป็นธาตุตอนที่ห้าแล้วก็ป่าช้าตาก็คือพิจารณาทราบศพในกาลต่างๆตายแล้ววันหนึ่งขึ้นพองอืดสองวันสามวันมีน้ําเหลืองไหลหรือว่าพิจารณาทราบศพที่ถูกแร้งถูกกาถูกสัตว์สุนัขบ้านสุนักขกินจอกกัดกินหรือว่าทราบศพที่เป็นร่างกระดูกมีเลือดเนื้อมีเอ็นผูกรับอยู่หรือว่าร่างกระดูกที่ไม่มีเนื้อแล้วเืกอนแต่เลือดยังมีเอ็นผูกรับอยู่หรือว่า ศพที่เป็นร่างกระดูกไม่มีเลือดไม่มีเนื้อแล้วยังมีเอนผู้รับอยู่หรือว่าไม่มีเอนผู้รัดแล้วก็เรื่ยวร้ายกระจายไปยังทิศ ต, ต่างๆกระดูกมือเท้าแข้งขากระดูกหน้าอกสันหลังกระดูกศรีษะกระดูกฟันก็กระจัดกระจายไปยังทิศ ต, ต่างๆหรือว่าพิจารณาร่างกระดูกที่เก่าเกินปีหนึ่งแล้วทิ้งเรี่ยรายไว้จนกระทั่งขาวเป็นสีเหมือนกับสีสังแล้วก็ผุละเอียดไปป่าช้าก้าวใหญ่ รวมเป็นสิบสี่ข้อด้วยกันเวทนามีเก้าข้อเก้าบพะก็คือเวทนาสามแล้วก็อิงอามิตรไม่อิงอามิตรอสัยอามิตสนิยสัยอามิตรคูณเข้าไปก็เลยเป็นเก้าส่วนสติปารพเอาจิตกอบด้วยราคะความกำหนัดหรือจิตปราศจากราค้าเป็นต้นอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ได้เห็นความสิ้นความเสื่อมความเกิดความดับแห่งจิตหรือเห็นว่าสัจธรรมจิตเท่านั้นก็ดี ดังนี้ชื่อว่าจิตตานุปัสสนาสติปฐานก็มีถึง16ข้อด้วยกันจิตมีราคะปรักจากราคะมีโทสะปรัจจากโทสะมีโมหะปรักจากโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหัคตะจิตไม่เป็นมหัคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นแล้วก็จิตหลุดพ้นจิตยังไม่หลุดพ้นทั้งหมดก็เป็นโลยยะจิตหมดไม่พูดถึงโลอุตรจิต สติปรบเอาธรรมคืออุปาทายาโรคหรือสัญญาหรือสังขารขันที่พ้นจากกายเวทนาจิตอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์แลเห็นความสิ้นความเสื่อมความเกิดความดับแห่งธรรมหรือเห็นว่าเป็นศักวะธรรมทเท่านั้นก็ดีดังนี้ชื่อว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐา น, นนี่ก็มีห้าข้อด้วยกันห้าบับพระแต่ว่าละเอียดมากก็คือพิจารณานิวรห้าบับพระหนึ่งพิจารณาอุปาทานขันห้าบับพระหนึ่ง พิจนาอายตนะภายในหอายตนะภายนอกหปบพภหนึ่งแล้วก็พ่อชงเจ็ดพะหนึ่งอริยสัตว์สี่บพะหนึ่งก็ละเอียดที่สุดก็ในองค์แห่งปฏิจจสุ บ, บาท1สิบสองมีอวิชชาเป็นต้นมีชรามรณะเป็นที่สุดนั้นอวิชชาสังขารอายตนะภาาัสสะตัณหาอุปาทานพบอุปาทยรูปในรูปละสัญญาเจตนาเอกอคตาชีวิตสินรีในานาม หรือในอุปติภพและชาติชื่อว่าเป็นธรรมวิญญาณชื่อว่าเป็นจิตเวทนาชื่อว่าเป็นเวทนามหาภูตรโรูในรูปหรืออุปติภพและชาติชื่อว่าเป็นกายเพราะฉะนั้นปฏิจจุบาทก็คือกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองมีครบหมดเลยเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์จับองค์แห่งปฏิจจุบาทมีอวิชชาเป็นต้นแต่ละสิง่งแต่ละสิ่งขึ้นพิจารณา นึกพินิจฉยดังกล่าวมาแล้วในก่อนชื่อว่าพระองค์ตั้งจิตเฉพาะด้วยดีในสติปัฏฐานสี่โคชงแปลว่าองค์ว่าเหตุแห่งความตรัสรู้เท่าสังขารโคดชงเจตนนั้นคือสติความระดึกได้ได้ไดแก่สติปัฏฐานนั่นเองธรรมวิจยะความเลือกความค้นซึ่งทำว่านี่กุศล น, นี่อกุศลเป็นต้น ได้แก่ปัญญาที่ปรารบองปฏิจจสุบาทมีอวิชชาเป็นต้นและอารมณ์แห่งสติปัฏฐานมีกายเป็นต้นเป็นอารมณ์และเห็นความสิน้นความเสื่อมแห่งอารมณ์นั่นเองวิริยะความเป็นคนกล้าได้แก่เพียรพยายามมะละอากุศลมีนิวรห้าเป็นต้นและทำกุศลมีสติปัญญาเป็นต้นให้เกิดขึ้นเองปีติความปลื้มใจในกุศลธรรมที่ได้ด้วยสติและธรรมวิจยะนั่นเอง ปัญธิความระ ง, งับกายระ ง, งับจิตได้แก่ความไม่กระวนกระวายจิตเจตสิกในขณะอุสรธรรมมีสติปัญญาและสมาธิเป็นต้นเกิดขึ้นนั่นเองสมาธิความตั้งจิตในอารมณ์อันเดียวได้แก่เอกคตาอัปปนาชานทั้งสี่นั่นเองรวรมทั้งอุปจาระด้วยอุเบขาความเพ่งโดยอุบัตได้แก่ความไม่วขนขวายในที่จะตั้งจิตให้เป็นสมาธิอีก เป็นแต่แท่งจิตที่ถึงซึ่งความระ ง, งับอยู่แล้วเท่านั้นเองธรรมะเจ็ดนี้แลชื่อว่าโพชทโงเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าดำเนินในวิชาสามแล้วถึงความตัดรู้รู้เท่าสังขารก็ชื่อว่าพระองค์เจริญโพชทง 7. เจ็ดด้วยคำว่าเจริญโพุทโงทั้งเจ็ดนั้นเป็นคำกล่าวโดยนิรวะศษหมายถึงว่าไม่มีตัวเหลือกาหนดตามพชชังคนิยม แต่ถ้าว่าในขณะอรัตมักอรัตผลบังเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ถึงความตัดสรูรู้เท่าสังขารนั้นก็ชื่อว่าพระองค์เจริญพวทชงมีแต่หกเพราะปีติสามพุทชงพระองค์มาละเสร็จแล้วด้วยตติยฌานอันหนึ่งกิจในพรหมจรรย์โดยสังเกตมีอยู่สองคือปหานะและภาวนาคาว่าพระผู้มีพระภาคมาละนิวรณหานั้นเป็นคาแสดงปหานากิจว่า ใช่แต่มร ะ, ะนิวรณ์ห้าอย่างเดียวหาไม่มะลณอาสวะสามด้วยวิขมพนประหารข่มไว้ด้วยวิชาสองเบื้องต้นและด้วยสมุดเฉทประหารมะลณะขาดทีเดียวด้วยวิชาที่สามด้วยคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเจริญโพชฌงเจตนั้นเป็นคําแสดงภาวนากิจว่าใช่แต่เจริญโพชฌงเจ็ดอย่างเดียวก็หาไม่ได้ทําวิชาสามให้เจริญด้วย คำว่าพระผู้มีพระภาคตั้งจิตในสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นเป็นคำแสดงปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้เกิดปหานะและภาวนาพระผู้มีพระภาคแสดงสติปัฏฐานสี่ไม่ยิ่งไม่หย่อนนั้นตามจริตของบุคคลก็แลบุคคลว่าโดยจริตสังเขตมีอยู่สองจำพวกก็คือตัณหาจริตหนึ่งทิฏฐิจริตหนึ่งตัณหาจริตมีอีกเดนสองคือหยาบและละเอียด ทิฏฐิจร the ิตก็มีสองคือหยาบและละเอียดกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นสบายก็คือเป็นสปายะแก่คนที่เป็นปัญหาจริตอย่างหยาบเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นสปายะแก่คนเป็นปัญหาจริตอย่างละเอียดจิตานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นสปายะแก่คนที่เป็นทิฏฐิจริตอย่างหยาบพวกชอบใช้ความคิดธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นสปายะแก่คนที่เป็นทิฏฐิจริตอย่างละเอียด ก็แลมาละนิวรณ์ห้าตั้งจิตในสติปัฏฐานสี่และเจริญโพุทชงเจดสามนี้ละสิ่งละสิ่งหมายถึงตระยานตระยา ง, ยางในการเป็นบุรพภาพ 5, หมายถึงก่อนที่จะบรรลุอริยมรรคขณะที่อบรมขณะที่เจริญเบื้องต้นย่อมมีย่อมเป็นในขณะจิตต่างๆการบ้างแต่ในการเมื่อมรรคมันเกิดขึ้นย่อมมีย่อมเป็นในขณะจิตอันเดียวกัน ด้วยคําว่าพระผู้มีพระภาคมะละนิวรหะตั้งจิตในสติปัฏฐานสเจริญโพชฌงเจ็ดแล้วและตัสรู้สัมมาสัมโพธิดังนี้นั้นสแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นกอบด้วยทิฏฐิจริตอย่างละเอียดและตั้งจิตในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยมากเพราะว่าพิจารณาปฏิจจสุบาทในเรื่องของธรรมะโดยตรงก็พร้อมทั้งสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นแหละ ในการเป็นบุรภภาพ 5, เพราะกุศลธรรมและอกุศลธรรมสองนี้โดยสังเกตชื่อว่าธรรมเป็นอารมณ์แห่งธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็อกุศลธรรมยกนิวรห้าขึ้นเป็นตัวอยา่างฝ่ายกุศลธรรมยกโพชงเจ็ดขึ้นเป็นตัวอยา่างอันหนึ่งบุคคลมีปัญญามากมักกรอบด้วยทิฏฐิจริตละเอียดด้วยในวิชาที่สามกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคกระทำองค์แห่งปฏิจจตุบาท มีอวิชชาเป็นต้นให้เป็นอารมณ์แห่งวิปัสนาญาณ น, นั้นแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อ ย, ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นกรอบด้วยโลกิยะปัญญามากเป็นผู้มีทิฏฐิจรลิฐอย่างละเอียดและตั้งจิตในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยมากในการเป็นบุรพภาพาเพราะองค์ปฏิจจุบาทมีอวิชชาเป็นต้นชื่อว่าธรรมซึ่งเป็นอารมณ์แห่งธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอยู่โดยมาก ซึ่งกล่าวมาทั้งนี้เพื่อจะให้รู้ว่าคำที่กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามละนิวรหาตั้งจิตในตติปฐานสี่จเจริญโพชฌงเจ7จึงเป็นพระพุทธเจ้ากับคำว่าพระพุทธเจ้าดำเนินในวิชาทั้งสามจึงเป็นพระพุทธเจ้าสองนี้ลงกันเหมือนกันไม่ผิดดังนี้ให้นักตรัสพึงรู้ว่าซึ่งพันนาความบังเกิดแห่งพระพุทธรัตนมาดังนี้ เพื่อจะให้รู้อธิบายคำในผู่พรสติขาที่กล่าวไว้โดยย่อดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคานพระองค์บังเกิดขึ้นแล้วในมนุษย์อริยกาทั้งหลายในมัชิมประเทศโดยชาติพระองค์เป็นกษัตริย์โดยโคตรพระองค์เป็นโคตมาโคตเป็นบุตรสักยะกษัตริย์ออกจากสักยะ ต, ตระกูลบวชแล้วพระองค์แสวงหากิงกุศลสันติอวรบทส่วนธรรมระงับทุกขอันบรวรประเสริฐไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า พระองค์ได้มาละนิวรห้าอันเป็นเครื่องเศ้าหมองแห่งจิตเป็นของทำปัญญาให้เสียกำลังพระองค์มีจิตตั้งลงเฉพาะในสติปัฏฐานทั้งสี่ยังพวดชงเจ็ดให้เป็นให้เจริญขึ้นโดยความถ่องแท้แล้วตรัสรู้สัมมาสัมโพธิปัญญาทาเป็นเครื่องตัดรู้เองชอบประเสริฐไม่มีสิ่งรายยิ่งกว่านักโคนโพอัดสัตยพึกริมังแม่น้าเนรัญชาดังนี้แล ถามว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างไรแก่ว่าคุณพระพุทธเจ้ามากนักพ้นที่จะพรนนาได้ใหญ่หลวงดังพื้นฟ้าอากาศคนเช่นเราจะพันนาคุณพระพุทธเจ้านั้นดังนกน้อยบินในอากาศไม่อาจพันนาให้สิ้นสุดได้แม้โบราณภาติดท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าแม้พระพุทธเจ้าด้วยกันไม่กล่าวเรื่องอื่นเลยพรนนาแต่คุณพระพุทธเจ้าด้วยกันอย่างเดียว สิ้นกับหนึ่งกับหนึ่งนั้นจะพึงสิ้นไปเปล่าในระหว่างคุณของพระพุทธเจ้าในระหว่างกาลนานเท่านั้นไม่พึงสิ้นเลยด้วยเหตุดังนี้แลจึงว่าคุณพระพุทธเจ้าใหญ่หลวงมากนะักพ้นที่จะพันน า, นาแต่ตัดให้ตั้นลงก็มีอยู่สามคือปัญญาอย่างหนึ่งความบริสุทธิ์อย่างหนึ่งพระกรุณาอย่างหนึ่งเท่านี้แลเป็นประทานแห่งคุณทั้งปวง คุณทั้งปวงประชุมลงในคุณทั้งสามนี้สิน้นก็แลปัญญานั้นได้แก่ความรู้เท่าสังขารดังกล่าวมาแล้วคือมัรคยานซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัพพายุตยานกับยานอันเศษมีจตุเวสารชยานทศพลญานอนาวรณยานเป็นต้นที่เกิดแต่มัรคยานให้สาเร็จคุณแก่สัตวโลกคือรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์แก่สัตว์ สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ประกอบด้วยอุบายให้สัตว์มลสิ้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ประกอบอุบายให้สัตว์ทําให้เจริญขึ้นด้วยอนุสาสนีนี้แหละชื่อว่าปัญญาความบริสุทธิ์นั้นได้แก่มลกิเลสเครื่องหมองจิตขาดกับทั้งวาสนาแม้โลกธรรมแปดมาถึงเฉพาะหน้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายพระหราฤทัยใสบริสุทธิ์นี้แหละชื่อว่าความบริสุทธิ์ กรุณานั้นได้แก่ความเอ็นดูปราณีสัตว์เห็นสัตว์ร้อนอยู่ด้วยเพลิงทุกเพลิงกิเลสว่ายอยู่ในทะเลใหญ่คือสังสารวัฏจะให้จัดดับเพลิงค้นจากสังสารวัฏที่มีแก่พระองค์เมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่และเมื่อตรัสรู้แล้วนี่แหละชื่อว่ากรุณาถ้าแลพระพุทธเจ้ามีแต่พระปัญญาอย่างเดียวความบริสุทธิ์และกรุณาไม่มีพระองค์ก็จะไม่สอนสัตว์โลก สัตว์โลกเช่นเราก็จะไม่รู้กุศลอกุศลทางสุขติทุคติและศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นทางพระนิพพานหรือมีแต่ปัญญากับพระกรุณาหากจะสอนสัตว์บ้างก็จะน้อมไปตามใจรักตามใจชังและตามความเห็นเทศนาคําสอนก็จะไม่บริสุทธิ์เพราะไม่มีความบริสุทธิ์ช่วยปัญญาและกรุณาอันหนึ่งถ้ามีแต่ความบริสุทธิ์กับพระกรุณาถ้าปัญญาไม่มีเล่าไซ ก็จะไม่อาจสั่งสอนสัตว์ได้อันหนึ่งไม่มีพระกรุณามีแต่พระปัญญากับความบริสุทธิ์พระองค์ก็จะไม่คิดสั่งสอนสัตว์จะเสวยแต่เอกีภาวสุขอยู่แต่ผู้เดียวหรือดับถันท่าปรินิพานเสียโดยเร็วพลันสัตว์เช่นเราก็จะไม่รู้จักอุสรากุศลทางสุขติทุคติและสีลสมาธิปัญญาทางพระนิพพานพระกรุณาคุณของพระองค์เมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นดังนี้ พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่มีอุปริสัยควรแก่อรหัตผลสาวกบรมียานแล้วได้ประสบพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระทีปังกอเป็นต้นแม้หวังจะพ้นทุกแต่ผู้เดียวรับเทศนาแต่สำนักพระทีปังกอ น, นั้นก็จะสำเร็จอรหัตผลสาวกบรมียานพ้นสังสารทุกข์แต่ตนผู้เดียวได้หากพระองค์เห็นตัดทั้งหลายร้อนอยู่ด้วยเพิงทุกมีชาติเป็นต้น เพลกิเลสมีราคะเป็นต้นและว่ายอยู่ในทะเลใหญ่คือสังสารวัฏพระองค์มีความปราณีจะดับเพลิงทุกเพลิงกิเลสแห่งสัตว์อื่นด้วยจะช่วยยกจากทะเลใหญ่คือสังสารวัฏจึงมาละอรหัตผลที่ตนจะพึงได้ในสำนักของพระพุทธเจ้านั้นเสียน้อมจิตไปเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วบำเพ็ญพระบารมีพุทธการกัธรรมคือทานศีลเนคขมมะ ปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาต้องเสวยทุกข์ในสังสารวัฏเป็นอเนกทุกข์ในอเนกชาติอันนี้ชื่อว่าการุณาคุณกรุณาคุณเป็นเหตุให้สำเร็จปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณแก่พระองค์และเกื้อกูลแก่สัตว์อื่นด้วยพระกรุณาคุณซึ่งมีแต่พระองค์ตรัสรู้แล้วไปนั้นเกื้อกูลแก่สัตว์อื่นฝ่ายเดียว และประกาศให้ตักอื่นรู้คุณของพร ะ, ะรัตนตรัยเพราะเหตุนั้นจึงว่าคุณสามประการนี้เป็นประธานแห่งคุณทั้งปวงคุณอื่นประชุมลงในคุณทั้งสามนี้สิ้นอันหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเป็นคุณแก่โลกด้วยพระองค์พร้อมด้วยสัมปทานสามคือเหตุสัมปทานผลและสัมปทานสัตตุประการสัมปทานเหตุสัมปทาที่ต้นมีเท่าไหร่ มีสองคือมหากรุณาสมาโยคะและโพธิสัมภาระสัมภาระมหากรุณาสมาโยคะเป็นอย่างไรความที่พระองค์ประกอบพร้อมด้วยกรุณากรานีสัตว์อันใหญ่หลวงซึ่งมีมาแต่บาดมูลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีตังกร น, นั้นมายั่งยืนในสันดาลไม่คืนคลายทุกภพมาจนถึงปัจจุบันชาตินี้นี้แหละชื่อว่ามหากรุณาสมายคะ โพธิสัมภาระสัมภาระนั้นเป็นอย่างไรความที่พระองค์เพิ่มพูนโพธิสัมภาระบารมีพุทธการกธรรมคือทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาที่ตัดอื่นยากจะทําได้สิ้นกาลนานนับด้วยโกดแห่งกับเป็นอันมากนั้นนี่แลชื่อว่าโพธิสัมภาระสัมภาระ สองสัมปทานนี้เป็นคุณอันถึงพร้อมแห่งพระองค์เป็นเหตุเบื้องต้นให้สําเร็จผลสัมปทานและสัตตุปการะสัมปทานเบื้องปลายจึงชื่อว่าเหตุสัมปทานผลสัมปทานมีเท่าไหร่ผลสัมปทานมีสี่คือญาณสัมปทานหนึ่งปหาณาสัมปทานหนึ่งอนุภาวาสัมปทานหนึ่งรูปกายะสัมปทานหนึ่งยาณาสัมปทานนั้นเป็นอย่างไรมรคยาน พระปัญญาความรู้เท่าสังขารในมรรคทั้งสี่ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญยุตยานและยานอื่นมีทศพลยานและอนาวรณยานจตุเวสารัชยานเป็นต้นซึ่งให้สำเร็จตามความสามารถในยยยธรรมทั้งปวงโดยสะดวกและประกอบอุบายเทศนาสอนสักไม่ขัดขวางขั้นคล้ามถ้ายานเหล่านี้ชื่อว่ายานะสัมปทาทหานสัมปทานั้นอย่างไร ความที่พระองค์มละกิเลสกับทั้งวาสนาขาดได้โดยส่วนอันเดียวไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกเป็นธรรมดานี้แหลชื่อว่าตหานะตัมบทาอานุภาวะตัมบทานั้นเป็นอย่างไรความที่พระองค์เป็นอ ธ, ธิปดีเป็นใหญ่ในที่จะให้ความประสงค์สําเร็จตามความปรารถนาคือพระองค์เป็นอิสระในจิตจะแสดงอิทธิฤทธิประการใดได้ตามประสงค์ทุกประการ ดังนี้ชื่อว่าอานุภาวะสัมปทารูปกายะสัมปทาเป็นอย่างไรความที่พระองค์บริบูรณ์ด้วยพระกายอันประดับด้วยทวติงสัตมหาสัตปุริสลักษณะก็คือมหาปุริสลักษณะส2ิสองและอาศีตยานุพยัญชนะอนุพยัญชนะแ0ิอันควรเป็นนยนาพิเศษโตดสงจตุแห่งสัตวโลกทั้งปวง อันนี้ชื่อว่ารูปกายะสัมปทานสี่สัมปทานี้เป็นคุณถึงพร้อมแห่งพระองค์สําเร็จมาแต่เหตุสัมปทาจึงชื่อว่าผลสัมปทาสัตตุปการสัมปทานนั้นมีเท่าไหร่มีสองคืออาศยะหนึ่งและปะโยคะหนึ่งอาสยะนั้นเป็นอย่างไรความที่พระองค์มีพระหฤทยัยเยือกเยินด้วยพระกรุณา หวังประโยชน์ให้สัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นนิจแม้สัตว์ที่ทำความผิดดังพระเทวทัตเป็นต้นพระองค์ก็ทรงพระกรุณานี้อย่างหนึ่งอันหนึ่งความที่พระองค์เห็นสัตว์อื่นมีปัญญทรียังไม่แก่รอกพระองค์ทรงคอยท่าการอยู่กว่าินทรีแห่งสัตว์จะแก่ควรแก่ตาตัชรุหนึ่งสองนี้ชื่อว่าอาศยะอาทยะสองอย่างก็คือ มีใจกรุณาแก่สัตว์เป็นนิสกับมีความสามารถในการที่จะรอให้อินทรีย์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายดึงความแก่รอดส่วนประโยคนนั้นอย่างไรตานที่พระองค์มีพระหฤทัยบริสุทธิ์ไม่เพ่งต่ออามิ t มีลาภสการะเป็นต้นทรงแสดงธรรมด้วยยานะไตรมุขคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นทางพระนิพพานทรงเปิดเผยจำแนกซึ่งธรรมนั้นๆกระทาให้ตื้นขึ้นให้ตัดอื่น ที่มีอุปนิสัยตัดรู้ตามบรรลุโลกุตรผลนำตนพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้ชื่อว่าปโยคะอสยะและปะโยคะทั้งสองนี้เป็นคุณถึงพร้อมแห่งพระองค์เป็นอุปการะเกื้อกูลแกสัตว์อื่นทายเดียวจึงชื่อว่าสัตตุปาการะสัมปทานี้แหลพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเป็นคุณแก่โลกด้วยพระองค์พร้อมด้วยสัมปทาสามดังกล่าวมานี้แหล อันหนึ่งอะรหันตาที่คุณแห่งพระพุทธเจ้าผู้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นคุณใหญ่เล่าลืออยู่ในโลกลากฏแกเทพ ย, ยดามนุษย์มากกว่าคุณทั้งปวงเพราะเหตุนั้นในปุพพติขาจึงได้ว่าก็อแลเกจิตตับอันงามแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไปในเบื้องบนยิ่งฟุ้งไปดังนี้ว่า อิติปิโตภะควาอารหังสมมาสมบุตโต ว, วิชชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิ đu อานุตตรโปุริสธรรมาสาปฏิปัตถาเดวะมนุสตานางบุตโทภะควาตีวันนี้ก็สมควรจะเวลาเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็จะได้แสดงเรื่องของการพนานาพระพุทธคุณก้าบทนี้ตามปูพัสิกาวรรณา วันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ตัทธาปีติประบูตแล้วน้อมนำคำสอนพระสัมมาสมัมุทเจ้าไปฝังลึกไว้อยู่ในห่วงหาทุไทน้อมนำออกมาใคร่ครวนน้อมนำออกมาเจริญให้คล่องแคล่วเพืจะได้เกิดปีติประโมทแล้วก็น้อมไปในวิปัสสนาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเป็นสมาธิแล้วก็น้อมไปในวิปัสสนาเพื่อจะรู้เห็นตามความเป็นจริงก็ขอให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมของพัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยการไม่เนินชาด้วยเทร สาึุสานุสาหุ